ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสอย่างในโคตมะสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตน่าจะใช้เป็นหลักตรวจสอบตนเองอย่างกว้างๆสำหรับกัลยาณมิตรผู้จะทาหน้าที่ในการสอนให้ได้ผลจริงคือหนึ่งทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่งคือทรงรู้ยิ่งเห็นจริงเองแล้วจึงทรงสั่งสอนผู้อื่น เพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามในธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริงข้อนี้มองในแง่ตัวผู้สอนว่ามีความรู้จริงในเรื่องที่สอนหรือได้บรรลุผลประจักษ์ในเรื่องที่สอนนั้นมาด้วยตนเองก่อนแล้ว 2. ทรงแสดงธรรมมีเหตุผลคือทรงสั่งสอนชี้แจงให้เห็นเหตุผลซึ่งผู้ฟังสามารถพิจารณาให้เข้าใจโดยใช้ปัญญาของเขาเอง ข้อนี้มองในแง่ของผู้เรียนหรือผู้ฟังซึ่งผู้สอนแสดงคาสอนชนิดที่ให้อิสรภาพหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ฟังคิดพิจารณาใช้ปัญญาของเขาพัฒนาปัญญาของตนเองและเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงด้วยตัวของเขาเองผู้สอนเพียงนำข้อมูลข้อเท็จจริงเหตุผลหรือข้อเสนอมาตีแผ่แจกแจงให้ดูและกระตุน้นให้คิดให้พิจารณา 3. ทรงแสดงธรรมมีผลสมจริงเป็นอัศจรรย์คือทรงสอนสิ่งที่เป็นจริงซึ่งคนมีปัญญารักความจริงพิจารณาแล้วจะต้องยอมรับและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้เกิดผลจริงซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมจะได้รับผลสอดคล้องสมควรแก่การปฏิบัติข้อนี้มองในแง่สิ่งที่สอนซึ่งสมความจริงหรือเป็นอย่างนั้นจริง ยืนยันได้มีแก่นสารไม่เหลวไหลนำไปปฏิบัติได้ผลไม่เป็นหมันไม่เป็นโมคะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงทำแค่ไหนอย่างไรก็ได้ผลสมกันกับการกระทาและองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นๆอย่างไรก็ดีถ้าไม่อาจหาการละยานามิตรผู้ได้รู้เห็นผลประจักษ์เองแล้วผู้ทำได้จริงและเป็นอิสระจริง บุคคลพหูสูรที่สอนเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงจริงนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ได้โดยที่บุคคลพหูสูรนั้นเป็นเหมือนนายโคบาลเลี้ยงโคให้คนอื่นหรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงคนอื่นที่ตาดีลืมตาขึ้นแล้วก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายได้คนตาดีที่ว่านั้นก็คือคนมีโยนิโสมนสิการในกรณีเช่นนั้น ไม่ต้องพูดถึงบุคคลผู้หูสูรที่รู้กว้างขวางและชนานาญการสอนแม้แต่คนโง่เขลาหรือคนบ้าจำถ้อยคำมีสาระจากคนอื่นมาท่องหรือบ่นว่าอะไรมีแง่ให้คิดคนมีโยนิโสมนัสจิการได้ฟังก็อาจเกิดความแจ่มแจ้งยังรู้สัจธรรมได้เหมือนกันแต่เมื่อถึงขั้นนี้ความสำคัญอยู่ที่ฝ่ายผู้ฟังคือองค์ประกอบฝ่ายภายใน ที่เป็นปัจจัยอย่างที่สองที่จะกล่าวเป็นข้อถัดไป